ได้กลิ่นก็จะแบบอุ้อมแอนนเม็ไม่ชอบในเรื่องความรู้สึกตัวนี่มันจะมาเปรดหรือมันจะมาตัดขั้นตอนแล้วก็ในการเมติภูมิชาอย่างไรอ๋อที่เราไปยุคใช้กับในชีวิตจวันเกี่ยวกับด้านการสัมผัสที่จะม่ให้เกิดความชอบไม่ชอบที่เราจะไม่เสพได้อย่างไรนะตรงเนี้ยเราก็พูดเป็นประจำว่าความสัมผัสในรูปเสียงกลิ่นรสมันมีสองลักษณะคือชอบกับไม่ชอบอร่อยและไม่อร่อย สนุกหรือไม่สนุกเนี่ยนะเพราะหรือไม่เพราะหอมหรือไม่หอมสบายหรือไม่สบายเนี่ยมันเป็นภาษาออกมาจากคําว่ารู้สึกนีนี้ถ้าหากว่าเราจะนําไปใช้ชีวิตประจำวันเนี่ยเราสามารถจะเปลกได้ไหมท่านบอกให้พิจารณาใช่ไหมพิจารณาว่าสิ่งเหล่านี้นี่เป็นสักว่าธาตุตามธรรมชาติไม่ใช่สัตว์ปุกลตัวโตนเราเขาเรื่องนี้พุทธเจ้าเห็นความสําคัญให้พิจารณาถึงสวาระใช่ไหมก่อนใช้พิจารณาว่าสิ่งเหล่านี้ไปเป็นธาตุ เท่านั้นมันไม่ใช่สิ่งบำรุงบำรเลอเราใช้ตามหน้าที่ให้พิจารณานี้ก่อนนะเช่นในกรณีอาหารสิ่งเหล่านี้นี่สักว่าเป็นธาตุตามรสชาติกำลังเป็นไปตามเหตุแตไ ป, ไปตามปัจจัยอยู่เยางนิดอืมแล้วก็ให้พิจารณากี้ก่อนมันไปนตามเหตุตามปัจจัยอ่าแล้วก็ทั้งอาหารที่เราบริโภคนี่ไม่ให้เป็นไปเพื่อความเพลิดเพลินสนุกสนาน ที่ท่านใ ห, ให้พิจารณานะนี่คําพิจารณานะและไม่ให้เป็นไปนเพื่อเกิดกําลังพลังทางกายไม่ให้เป็นเพื่อประดับให้เป็นไปเพื่อตกแต่งแต่ให้เป็นไปเพื่อความตั้งอยู่ได้แห่งกายนี้ให้เป็นไปเพื่อบําบัดความหิวเป็นไปเพื่อบำบัดทุกเวทนาต่างๆอันเกิดขึ้นแล้วจากอาพาธจากความหิวและไม่ให้เกิดเวทนาใหม่คือความอิ่มไม่ให้เกิดเวทนาเก่าคือความหิว ให้กินแต่พอดีไม่ให้กินจนอิ่มและไม่ให้กินน้อยจนหิวให้พิจารณาอย่างเนี้ยด้วยการทําอย่างนี้นะด้วยการทำเนี้นยรเราจะทําให้เกิดปัญญาแต่เวลาเราไปทานทจริงจริงเราทานพิจนาอย่างนี้ไหมไม่ทานหรอกกินจนอิ่มเรายังนึกไม่ออกเลยว่าสิ่งเหล้วนี้เป็นธตามรรมชาติเพราะว่าเราอยู่กับมันไม่รู้จีวปีชาติแล้วมันยากมากที่จะพิจารณาเห็นเว้นแต่เว้นแต่เราตั้งใจอย่างจริงๆนะ ก่อนที่เรามือทานเอาเรื่องอาหารเป็นแบบอย่างก็แล้วกันไม่ต้องพูดถึงเรื่องอรูปเสียงสัมผัสแต่ เ, เฉพาะเรื่องอาหารนะเป็นตัวอย่างว่าขณะที่เราทานแล้ก็จะนั่งดูอาหารก่อนพิ่เจณาดูอย่างน้อยถึงว่ามันจะเป็นเพียงอุปท า, านเบื้องต้นนะแต่ก็ควรจะทําเพราะมันเป็นอุปท า, านที่ดีทําให้เราได้สติว่าเอออาหารนี้ตอนที่มันอยู่ในจานขเขาก็เลยอาหารนะ ตอนที่มันอยู่ในโถส้วมนี่เขาเรียกว่าอีกอย่างหนึ่งน ะ, ะกลิ่นที่มันอยู่ในจานนี่มันน่ากินนะแต่กลิ่นที่อยู่ในโถส้วมนี่มันไม่ให้ใครรู้ไม่ได้เลยนั่นเน่ยเราจะเห็นความเบื้องต้นและที่สุดมันก่อนเออเบื้องต้นและที่สุดมันเป็นแบบนี้แล้วในทํากลางเนี่ยที่เราจะส่งต่อเบื้องต้นถึงที่สุดเาราควรจิตจักระมันอย่างไรถ้าพิจารณาอย่างนี้เนี่ยมันก็จะเกิดสังเวชว่าเออมันผ่านไปในร่างกายท่านบอกว่า เมื่อมาถูกอิมังปูติกายังปัตวาอติวิยะชิคุชนิโยชายติคําสรุปสุดท้ายกันนะว่าอาหารนี้เป็นของบริสุทธิ์มาแต่เดิมเมื่อมาถูกเข้ากับกายอันเน่าอยู่เป็นนิดนี้แล้วย่อมกลายเป็นของน่าเกลียดอย่างยิ่งไปด้วยกันนี่คําสรุปของท่านนะอิมังปูติกายังเมื่อมาถูกต้องกับกายอันเน่าอยู่เป็นนิดนี้แล้วกายของเรามันเน่าอยู่ตลอดเมื่ออาหารเข้าไปดีๆมันก็ยังเน่าตามเลย เข้าไปของหอมๆ ม, มันยังเนาออกมาเป็นเหม็นเลยอะ่ะมันก็เกิดสรุปสังเวชใช่ไหมแต่เวลาเราทานเราพิจารณางี้ไหมไม่เดี๋ยวเรามันจะเสียรสชาติเดี๋ยวกินข้าวไม่ลง <c oughs> อ่าเนี่ยเห็นไหมพอไปเจอของจริงแล้วเราเราเล้เไม่ได้อะ่ะแต่พระพุทเจ้าบอกให้นึกอย่างงี้บ่อยๆมันจะเกิดสติขึ้นมาท่านว่าว่าร่างกายพิจารณร่างกายของเราต้องอาบต้องกวกต้องลวงต้องล้างต้องชำระ ก, กันวันในหลายครั้งอะ่ะมันเน่าขนาดไหนอะ่ะใช่ไหม แต่ว่าเราก็ยังยินดีเพราะว่ามันสำคัญว่าเป็นของเราใช่ทีนี้เราจะมาล้างความสาคัญผิดนี้อย่างไรเนี่ยเราก็ถึงมาปฏิบัติกรหม า, านเพื่อที่จะลดความสำคัญมั่นหมายว่าเราของเราเนี่ยมันเบาบางลงหลังจากที่มันเบาบางลงแล้วเนี่ยเราก็จะเริ่มเริ่มเลือกเป็นเลือกสิ่งที่เป็นประโยชน์เพียงเพื่อบรบัตความหิวไม่เชื่อเพื่อบาเล แต่เพื่อบำรุงเพื่อบำบัดทุกขเวทนาทางหิวเพื่อที่มาให้เพื่อความตั้งอยู่ได้แห่งกายนี้เพื่อบำบัดทุกขเวทนาใหม่คือความหิวเพื่อบำบัดทุกขเวทนาเพื่อบำบัดทุกขเวทนาใหม่คือความหิวเพื่อตัดทุกขเวทนาเก่าเวทนาใหม่คือความอิ่มเวทนาคือเขาคือความหิวนะนี่คือประโยชน์มันแค่นี้ เราพิจารณาบ่อยเข้าบ่อยเข้านี่อาหารความเขาเรียกว่ากินแบบอะไรล่ะกินแบบไม่ยั้งโดยกินแบบมุมม้าโดยกินแบบที่ไม่สํารวมมันก็จะลดลงลดลงค่อยๆกินทีละชิ้นทีละชิ้นพิจารณาไปวิธีที่ง่ายที่สุดที่มาพิจารณาทำก็คืออะไรที่ไม่อร่อยเนี่ยเอามาทานก่อนของอร่อยนี่เอาไว้ทีหลังของอร่อยนี่ทานนิดเดียวแต่ของไม่อร่อยนี่ทานเยอะๆ ของไม่อร่อยมักจะเป็นประโยชน์มีคุณค่าทางอาหารแต่ของของอร่อยเนี่ยมันมักจะมีการปรุงแต่งที่มลพิษใช่ไหมอันนี้วิธีเบื้องต้น ใ, ใช้วิธีแบบนี้เร า, าก็จะทานผักผลไม้ไปจนใกล้จะอิ่มแล้วแล้วค่อยไปทานอาหารอร่อยทีหลังมันก็ลดโดยเฉพาะอย่างยิ่งหลักโภชนาการท่านบอกว่าเบื้องต้นเนี่ยโดยฉันชัตยานเนี่ยเมื่อถึงเวลาน้ำย่อยเนี่ยมันมารอที่จะย่อยอ ย, อยู่แล้ว ถ้าเราทานอาหารไปทันทีอาหารมันเป็นกรดน้ำย่อยก็เป็นกรดกรดบวกกรดแล้วมันจะก่อให้เกิดความเข้มของกรดโอกาสที่จะทําให้ธาตุแปรปรวนมีสูงมากเรวันนั้นหลักแพทย์ทั้งเลือกที่ได้เรียนรู้มาใหม่ก็คือให้พยายามทานผักผลไม้เข้าไปก่อนเพราะผลมผักผลไม้เฉยๆมันเป็นด่างแต่น้ำย่อยเป็นกรดเมื่อกดกับด่างไปบวกกันมันเกิดการเจียจางแล้วพออาหารเข้าไปมันเป็นกรดก็ทําให้ ความระคายเคืองก็เพราะความแปรปรวนของทาตุลดลงสุขภาพเราก็ดีแล้วก็โรคกระเพาะโรคเบาหวานโรคความดันโรคกรดไหลย้อนโรคมะเร็งอะไรพวกนี้มันก็จะน้อยลงไปตามลําดับความแปรปรวนทุกเวทนาก็น้อยลงไปอันนี้เอายกกรณีเป็นตัวอย่างเป็นอาหารมันง่ายดีนะแต่ความจริงสิ่งที่ทําให้เราพอใจเนี่ยมันจะมีรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสได้ทุกเรื่องแหละเข็มๆทั้งนั้นแหละดังนั้นก็อาศัยสิ่งที่ เราเห็นความสําคัญสักส่วนหนึ่งก่อนสมมุติว่าเอาเรื่องอาหารมาเป็นส่วนสําคัญเรื่องรถเน่ยเป็นส่วนสําคัญเราสามารถลดความพึงพอใจความเสพอาหารได้ความพึงพอใจในรูปเสียงกลิ่นสัมผัสมันก็จะค่อยลดลงไปด้วยทั้ง6อย่างเนี่ยให้มันลดลงสักอย่างหนึ่งก่อนแล้วส่วนอื่นมันก็ค่อยดาวน์ลงเองว่าเพราะว่ากิเลสมันตัวเดียวกันคือชอบใช่ไหมถ้ามันลดความชอบอย่างนี้ลงอย่างอื่นก็น่าจะลดได้อันนี้คือวิธีการของพระพุทธเจ้า นันเวลาจะทานอาหารเนะี่ยท่านให้พิจารณาถึงสมครั้งครั้งหนึ่งครั้งที่หนึ่งก่อนทานขณะทานทาน่ทานใช้ปฏิสังขยอยู่ปฏิสังขยโยบอกเออขณะเคี้ยวเคี้ยวให้ละเอียดเคี้ยวได้กี่คำแล้วขณะกลืนก็รู้ว่ากลืนได้กี่ครั้งเคี้ยวได้กี่หนแล้วก็รู้ว่าเคี้ยวนี่มันรดอะไรบ้างพิจารณาไปเรื่อยๆแต่เวลาเราไปกินจริงๆมีโอกาสได้ได้พิจารณาแบบนี้ไหม ไม่ละเดี๋ยวไม่จะหมดลดต้องรีบรีบรบรบรบกินตอนที่มันอร่อยซะเนี่ยมันก็เป็นอย่างนั้นใช่ดังนั้นให้พิจารณาครั้งขณะทานแล้วกัปฏิสังขายโยและพอทานเสร็จแล้วท่านยังไม่ยอมนะท่านบอกอาหารใดที่ข้าพเจ้าพิจารณาที่ทานไปไม่กี้ไม่ทนันคําไหนที่ไม่ทันพิจารณาเนี่ยข้าพเจ้าขอพิจารณาใหม่นี่พระพุทธเจ้าท่านประยาดขนาด น, นั้นเลยนะเร็วอัจฉมายาอาหารใดที่ข้าพเจ้าทานไป แล้วก็ไม่ใช่พิจารณาอาหารพิจารณาปัจจัย4ี่พิจารณาเรื่องอเครื่องนู่มโฮมพิจารณาที่อยู่อายไซพิจารณายารักษาโรคแล้วก็พิจารณาอาหารทั้งสอย่างเนี่ยให้พิจารณาเพื่อที่เราจะไม่เสพแต่คอนเซปต์หลักมันที่เข้าไปเสพรูปเสียงกลิ่นรสนี่คือความพอใจที่เรากําลังเรียนรู้ก็อยู่ใช่ไหมมีความพอใจและความติดใจความเพลิดเพลินอร่อย คําว่าเพลินนันทินะเพลินในรูปเพลินในกลิ่นเพลินในรสเพลินในเสียงเพลินในสัมผัสเพลินในอารมณ์นะคัความหมายคําว่าเพลินพรุทธเจ้าท่านตึงมุ่งให้ละนันทินันทินั้นเองทําให้เราไม่สามารถจะควบคุมความอยากได้แต่ถ้าล ะ, ละนันทิได้เราเข้าปฏิบัติต่อทุกอย่างด้วยความเป็นกลางไม่มากเกินไปไม่น้อยเกินไปแต่พอดีแท้เท่าที่จําเป็นสุขภาพเราก็จะดีขึ้น ความเร่าร้อนเราก็จะน้อยลงที่เรามาปฏิบัติเพื่อสิ่งนั้นนะแต่ว่าเวลาปฏิบัติแล้วเนี่ยเอาไปประยุกต์ใช้ได้หรือไม่อันนี้แล้วแต่ศรัทธาและปัญญาของใครขวกมันไม่สามารถว่าวางกฎเกณฑ์ใจ ต, ตัวแเองคุณจะทำอย่างนี้อันนี้ไม่ได้เพราะว่าสติปัญญาและศรัทธาของคุณไม่เท่ากันใช่ไหมคนที่มีศรัทธามากความเพียรมากอาจจะทําได้ดีแต่คนที่มีศรัทธาน้อยและความเพียรน้อยอาจจะทําไม่ได้เลยก็ได้เข้าใจนะ โอเคเอาลองอไปประยุกต์ใช้แล้วประยุกต์ใชแล้วเป็นยังไงก็บอกผลการปฏิบัติงานด้วยกันๆๆแล้วกันเพื่อจะได้เอาไปส่งเสริมได้อา้าวข้อต่อไปข้อสุดท้ายอืข้อสุดท้ายแสดงว่ า, าจบแล้วไม่มีนะก็ขอขอนุมุทนาสาธุในความตั้งใจของท่านทั้งหลายที่ได้ศึกษา เรียนรู้สิ่งที่เป็นประโยชน์และสิ่งเหล่านี้มันจะเป็นแสงสว่างสองทางชีวิตจิตใจของเราเนี่ยให้เกิดเห็นความจริงแล้วสามารถถอดถอนอความสศรความิดสำคัญผิดคืออัตตาตัวตนของเราได้นั่นก็คือเข้าถึงสภาวะประมัติ์โดยการทุกคนทุกท่านเทนื